ทานข้าวโดยที่ไม่รู้จักท่านก็คือคุณหมอพรอชิตหาัจากนั้นก็ตลอดคุณไปท่านที่สมโะอกเราก็ได้มโอกาสที่จะพัดจับหูไปที่วัดถ้ำแสงเทียนก็ได้หลวงพ่อมหาดิเลกเป็นพระวิปัสนาจารย์ท่านก็ฝึกเข้มจากไม่รู้อะไรเลยก็รู้จักคำว่าสติสามประชัญญะ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 นะครับก็ได้มาฝึกสายของหลวงพอ่อหลวงพ่อเทียนก็จากการมาเทีย่ยวที่สวนโมคกครับก่อนหน้าที่จะปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนก็ไปลองอยู่หลายสายทั้งยุบหนอทั้งพุทโธนะฮะแล้วก็อาณาดําเริ่มแต่พอมาเจอสายของหลวงพ่อเทียนก็รู้สึกตอนแรกว่าแปลกลก็ไม่เคยเห็นคือ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 ใช่ครับยังไม่เคยครับครับกับ น, นำ้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อพัชรลพไลคะ่ะชื่อพัดเล็กสั้นๆพัด ก, ก, ก็ได้คะ่ะก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติแนวของสายหลวงพ่อเทียนก็ปฏิบัติที่ยัวพุทธ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 ครับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะแล้วก็สวัสดีญาติที่ทำทุกคนคะ่ะดิฉันชื่อกู้สมปองค่คะคือดั้งเดิมนะคะดิฉันปฏิบัติมา แ, แต่แบบตั้งแต่ตอนทํางานหายนิดนิดหน่อยหน่อยคือปีนึงก็จะไปสักครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนกระทั่งพอไม่ได้ทํางานแล้วเพื่อนคนไทยที่อยู่อเมริกาที่อยู่ชิคาโกหาเขาโทรมาหาเป็นเพื่อนกันเขาโทรมาบอกว่าไปปฏิบัติที่นี่ไหม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 มันจะไปติดอติดพอหลับตาแล้วจะไปติดฟุง้งติดเพ่งอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราเอาปวดหัวซึ่งมันทําให้เราเอาเวลาเราหลับตาเนี่ยเราก็จะไม่อยากปฏิบัติเลยนะคะเพราะเรากลัวกลัวเมื่อมันจะเจอไอ้สภาพการปวดหัวเนี่ยค่ะก็เลยอทิ้งการปฏิบัติไปหลายปีเลยคือไม่ไปปฏิบัติทำอีกเลยนะคะ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 ของพร ะ, พร ะ, พระอาจารย์คันชิตห้าวันแล้วล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลยเพราะว่าต่างจังหวัดไม่ค่อยชอบไปอะ่ะเราก็เระเงินอยู่ในกรุงเทพก็เลยสะดวกดีก็ถามว่ า, าได้อะไรไม่ก็อนุมโมทนาทุกท่านนะคะที่ที่ได้อะไรต่อะไรนี่ก็รู้สึกว่าเกยียงไม่ค่อยได้อะไรเลยเหมือนกันนะะแต่ว่าก็ก็ดีใจด้วยนะแต่ว่าอาจจะเรายังไม่ถึง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 แต่ทิ้งช่วงนะคะไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องติดติดกันเหมือนเหมือนที่ปฏิบัติสายลูกน้ำก็<ม>ที่อธิยาบ้างครั้งสุดท้ายมีไปปฏิบัติที่วัดทัพนิ่งขวานของอาจารย์คำใหม่ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาก็รู้สึกดีใจมากๆเป็นการมาแบบประทันหานนะะกรน้ำมิตรคุณสมปองพี่ ก, กู้เป็นคนจอมให้และก็ได้รู้จักอาจารย์รู้สึกดีใจมาก